เรื่องว่างที่รบค่ะท่านอยู่ในช่วงเวลาของรายการสันสานิสนทนากันอยู่นะคะที่ผ่านไปคือพระมาชาคาวโรวัฒ น, นาป่าคงลำลุกาคลองสิทธ์ค่ะวันนี้เราก็เส้นเคยนะคะยังมีพระภิกษุอีกรูปหนึ่งในรายการครึ่งชั่วโมงของสันสานิสนทนาก็คือพระพัยบุ์อภิปุนโนจากวัดป่าดอนไฮโซอุดรนธานีแม้ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาท่านก็ไม่ได้เว้นที่จะเมตตากับผู้ฟังทุกท่าน เรามากราบนมัส ก, การท่านพร้อมๆกันเลยค่ะนมัส ก, การกัะท่านคะเสถานค่ะสำหรับวันนี้ท่านพิบูลค์คะก็คงจะเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการที่ได้กลับเียนถามวิธีนำเอาธรรมะมามจะใช้คำว่าอไอเดียคะมามาศึกษากับเรื่อ ง, งของขันหนะมาคร่ครวญแล้วก็จนะได้พิจารณากันเองเป็นเมื่อวานนี้ท่านฟังค้ะที่ฉันได้ถามพระอาจารย์ว่าโลก ในทางธรรมะหมายถึงอะไรใช่ท่าอาจารย์ก็พูดว่าเป็นคําถามยอดฮิตในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ก็จึงตรัสว่าโลกเนี่ยคือขันธ์ทั้งห้าและเราก็คือโลกเพราะเราก็อยู่ในระบบขันธ์ทั้งห้าเหมือนกันดิฉันก็เลยให้ท่าอาจารย์เนี่ยได้ช่วยเกลณาแนะนําวิธีที่จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องขันธ์ทั้งหที่อยู่ในกายเราโดยเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านพิบูลบอกว่าให้ใช้อริยสัจสี่มาวิเคราะห์เราวิเคราะห์รูปไปแล้วนะคะ วันนี้เราจะวิเคราะห์ในส่วนของเวทนาต่อดีไหมคะหรือท่านจะเอาสัญญาก่อนก็ได้สังขารก่อนก็ได้ก็เวทนาก็ดีเหมือนกันเวทนานะคะท่านช่วยอธิบายเวทนาด้วยค่ะว่าในความหมายทางธรรมคืออะไรพรูชาติพูดถึงว่าถ้าคุณจะมารู้เวทนาเนี่ยคุณจะต้องเข้าใจเวทนาตามเรื่องราวต่างๆอย่างนี้นะอันแรกก็คือว่าเข้าใจก่อนว่าตัวเวทนามีอะไรโเวทนานี่มีร้อแเลยคุณโยมติ หล<น>วงพ่อจ้าก็อธิบายไว้เวทนา3ก็มีสุขทุกข์อุเบกขาสุขทุกทุก ข, ขมัสสุก็มีนะสุขสมานัตทุกโทมนัตอุเบกขาก็มีห้า <นะ S 1> อย่างก็มี6อย่างก็มีนะคือความเาวทนาคือความรู้สึกที่เกิดจากตาก็หลายไปตาหูจมูกลิ้นกายใจ6อย่างก็มีนะอันเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันนะก็เลยเป็น36อย่างละอย่างเงี้ยรวมกันรวมไปเนี่ยเป็นร้อยแปดเละ ออเวทนานี่นะค ะ, ะมีเวทนานี่มีแยกไปเยอะแยะไปหมดมันคลุมเราไปหมด<ช>เพราะว่าตรงไหนเนี่ยเวทนาเนี่ยมันก็เกิดคือความทุกข์ของมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยนะพระเจ้า<ช> <ๆ S 2> เคยคุยกับท่านภาษาริบุตรตรัสไว้ให้ท่านภาษาลิบุตรฟังภาษาลิบุตรเนี่ยพูดมาเป็นหัวหลายหน้าเลยนะพระเจ้าสรุปแค่ประโยคเดียวเลยว่าสาราิบุตรดีแล้วที่เธอพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็แค่จะบอกว่าความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยรวมลงที่เวทนาความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยรวมลงที่เวทนา และ น, น, นี่เป็นพุทธป จ, จะนะแะ น, น, นี้เป็นคําที่สําคัญมากเราจะเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นอะไรก็แล้วแต่มันจะมารวมลงอยู่ที่นี่ก็ไปคือหมายถึงว่าเห็นคนนั้นคนนี้เป็นยังไงเห็นเรื่องราวตรงนี้เห็นดินฟ้าอากาศมันจะมารวมลงอยู่ที่ว่าเรารู้สึกสุขหรือรู้สึกทุกข์หรือมันจะไม่หนีจากนี้นะคุณฟังเรื่องใดเรื่องหนึ่งดูทีวีอ่านหนังสือพิมพ์ทุกอย่างเนี่ยมันจะมารวมลงที่ทําให้จิตของเราเนี่ยสุขหรือทุกข์เท่านั้นเองค่ะ ทุกนี่เวทนานี่เป็นที่รวมทั้งหมดมันจะมาไหลรวมกันที่นี่คุณมีตันหาไม่มีตันหาคุณจะละนิวรณนได้ละกิเลสได้ยังไงก็แล้วแต่มันก็จะเกิดเวทนาขึ้นเนาะถึงแม้แต่พระอรหันต์ท่านหลายนะผู้ที่ยังมีที่กิเลสดับไปแล้วตันหาดับไปแล้วก็ยังบางส่วนก็ยังมีเวทนาอยู่ก็ยังยังมีอยู่นะทีนี้ตัวเวทนาเราต้องเข้าใจเขาอย่างไงบ้างนี่ยอันดแรกคือเข้าใจตัวของมันก่อน นะก็อย่างที่บอกมีร้อยแปน่นะมีร้อยแปแล้วเหตุเกิดของเวทนาคืออะไรคุณยมถิอว่าอะไรเหตุเกิดของเวทน า, าทเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาถูกต้องนะผัสสะก็คือการกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจนะจึง เ, เกิดเวทนาด้วยนะแล้วก็โทษนะประโยชน์ของเวทนาคืออะไรประโยชน์ของเวทนากันประโยชน์ก็คือว่าสุขโสมนัสดใดอันเกิดจากเวทนานั้นนะอันนี้คือประโยชน์ของเวทนาค่ะ นั่นคือบานทีมันนาความสุขมาให้เรานะยิ้มออกบ้างนะชื่นใจบ้างร่าเริงบ้างก็พวกนี้เวทนาทั้งสิ้นเลยค่ะแต่นี้ความทุกข์ของเวทนาคืออะไรตอนนี้พระพุทธาไม่ได้พูดถึงทุกขเวทนานะค่ะเออนี่มันแปลกตรงนี้โอ๋เหรอคะพระพุทธเจ้าพูดว่า อ, อข้อที่ไม่ดีของเวทนาเนี่ยคือความที่เวทนานั้นไม่เที่ยงเ อ, อ๊ะอาตมาก็มาไข้โกลนตรงนี้เ อ, อ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้นทำไมไม่พูดถึงทุกขเวทนาแล้วก็เพราะว่าบางคนเนี่ยชอบเจ็บเจ็บชอบทุ ก, ท ก, ทกๆุกก็ใช่ไหม ค่ะทุกแล้วมันชอบทุกแล้วมันดีมีความคิดอย่างนี้ก็มีนะบางพวกเนี่ยพวกซาดิสพวกซาดสนั่นแหละพอไปค่ะทีนี้พอพอเป็นอย่างนั้นแล้วก็เลยบัญญัติว่าความที่คุณชอบตรงไหนแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปนี่แหละคือคือความทุกข์ก็เท่าเดรโทษของเวทนานั้นนะทีนี้อันต่อไปแล้วผ ล, ลวคือความดับไม่เหลือของเวทนามี่มั้ยถ้าเราต้องการให้มันดับไปเนี่ยก็มีอยู่ก็คือความดับของภาษานั่นเอง แล้ววิธีทำยังไงที่ทําให้มันดับไปได้ในภะาษานี่พระเจ้าก็อธิบายถึงมักแปนี่เองนะคือบางคนคิดว่าเออฉันไปงั้นก็ควักตาออกควักหูออกในภะาษาได้ดับไปเวทนาจะได้ไม่ต้องมีโว้ยคุณควักตาออกคุณเจ็บตัวอีกในเะวทนาทางกายเกิดขึ้นแต่แนละ้ว <c oughs> มันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุดค <c oughs> ่ะยังมีจุดโบว์อยู่ช่องโบว์อยู่ก็เลยวิธีแก้ปัญหาที่ถูกก็คือปฏิบัติตามอารี ม, กมักหุ่งแปดถึงจะสูกค่ะเนาะ นี่เท่ากับการที่จะวิเคราะห์เวทนาโดยใช้อริยศาสตร์แล้วใช่นะค ะ, ะทบทวนให้ท่านผู้ฟังฟังว่าในส่วนวิเคราะห์ว่าเวทนาเป็นทุกข์อยู่ตรงไหนคะท่านคะ่ะเวทนาเป็นทุกข์ก็คือความที่มันเป็นไม่เที่ยงค่ะอันนี้เป็นความทุกข์ของมันค่ะในส่วนที่เป็นสมุทัยและค่ะท่านสมุทัยความเกิดของเวทนาคือผัสสะและในส่วนของนิโรธค่ะนิโรธ ค, คือความดับไปของผัสสะค่ะคือการดับไปของการที่ ่าตาไปเห็นจมูกไปได้กลิ่นที่ถูกใจไม่ถูกใจแล้วก็หูได้ยินเสียงถูกใจไม่ถูกใจเป็นต้นนะคะแล้วทางอค่ะนั่นคือมรแปดนั่นเองมรค่ะทีนี้พอเรารู้ครบหมดตรงนี้นะจะเกิดอะไรขึ้นค่ะนะจิตของเราจะอวิชาจะดับไปอวิชานุสัสจะดับไปอวิชาคืออะไรอวิชาคือความที่เราไม่รู้อวิชานุใส เพราะว่าแบ่งบางทีที่เราหลงไปในเวทนาเนี่ยเพราะว่าเรามองไม่เห็นประเด็นพวกนี้เรา<ฆ>จึงไปชอบเราจึงะยะขยอยากแย่งชอบอะไรสุขเวทนาขยอยากแย่งอะไรขยอยากแยงทุกเวทนาค<ฆ>่ะที น, นี้พอเราถูกต้องความรู้สึกที่ไม่ถูกไม่ทุกข์ไม่สุขเนี่ยถ้าเราไม่เห็นโดยกระบวนการนี้เนี่ยที่คุณยมติพูดมาเนี่ยนะอริย<ฆ>สัจสทั้งหมดเนี่ยคือคุณก็จะมึนมืดไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมึนมืดพวกนี้ก็คืออวิชาณ์นั่นเ<ฆ>องความจำจิตเราละไม่รู้ว่าเฮ้ยเกิดเรื่ออะไรอะไรมันแก้ยังไง มันไม่รู้จริงนี่อย่างนี้อ่าก็จะไปหาทางที่จะมาปะหน้าโปะหน้าพวกนี้ก็จะแก้ไม่ถูกก็ยังอยู่ในวิชานุสัยแต่ถ้าเราเห็นแล้วในะเห็นพวกนี้แล้วคุณจะไปทำไม่เป็นธรรมนี้ไม่เป็นไรายกไปก่อนก็ได้แต่ถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตของเราเรียกว่าสว่างแลรู้ตามจริงละน ะ, ะวิชาก็ละไปไดน้นะอวิชาดับไปจิตสว่างเป็นผลวิชาก็เกิดขึน ค่ะวิชาเกิดขึ้นได้ประโยชน์อะไรกับคนทั่วๆไปแบบเราๆค่ะเราก็จะรู้ว่าเราไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้พอเราไม่ต้องปรุงแต่งตามสิ่งที่มากระทบแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจิตเราไม่ต้องปรุงแต่งตามนะเพรอจิตเราไม่ต้องปรุงแต่งตามจิตจึงไม่ต้องไปก้าวลงในนามรูปค่ะจิตพอไม่ก้าวลงในนามรูปแล้วมันก็ต้องไม่มีทางออกพัทธะอะไรพวกนี้ไม่มีละในความรู้ของจิตเราก็ไม่ไหลไปตามความทุกข์ละแล้วจิตเราจะสบายมากลอยออกจากปัญหาทั้งสิ้นเลยอมก็แปลว่า เราจะไม่มีความทุกข์ความทุกข์จะดับไปความทุกข์จะดับไปเพราะมาถึงขออภัยค่ะมาถึงสุดท้ายของสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสสอนเป็นเรื่องใหญ่คืออริยสัจว่าจะออกจากทุกข์ได้อย่างไรใช่ไหมคะเนี่ยใช่ทีนี้อันนี้วิเคราะห์เวทนาต่อไปท่านช่วยกรุณาวิเคราะห์ขันที่สามคือสัญญา สัญญาคืออะไรคะท่าทั้งเวทนาทั้งสัญญานี่ด้วยนะพระเจ้าก็พูดถึงว่ามันมีทั้งในอดีตอนาคตปัจจุบันมีหมดทั้งที่เป็นที่ไกลที่ใกล้ยาบรือละเอียดเลวหรือประณีตแล้วก็ถือว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราทีนี้กลับมาถึงเรื่องของสัญญาสัญญาถ้าแปลโดยที่เขาแปลกันทั่วไปคือความจําได้หมายรู้แตทีนี้ส่วนความจําเนี่ยมันก็ยังจะไม่ใช่ทีเดียวเพราะเรา เคยคุยกันเรื่องความจําตรงนี้ไปแล้วถ้าพูดถึงสัญญาจะเาสังการมาด้วย <Okay. S 1> นะก็คือว่าบางคนจะคิดว่าสัญญาเนี่คืออดีตสังการนี่คืออนาคตจริงๆแล้วมันยังไม่ใช่เงันบางคนอาจจะคิดว่าสัญญาคือความจํานำะสังการคือการคิดปรุงแต่งต่อไปมันก็ยังไม่ใช่ทีเดียวนะเพราะมันมี2 ส, ส่วนที่ปนกันอยู่นะ <Okay. S 1> คือความจําความจําหรือ memory ที่เราพูดกันนี่นะคุณโยมติ๋ว <Okay. S 1> มันมีอยู่ส่วนประกอบอยู่สามส่วนนะคือการที่บันทึกข้อมูลลงไปการเก็บข้อมูลเอาไว้และการดึงข้อมูลออกมา าการบันทึกข้อมูลลงไปการเก็บข้อมูลเอาไว้แล้วการดึงข้อมูลออกมาเหมือนกับคอมพิวเตอร์เนี่ยนะ <c oughs> หัวฮัตดิสเนี่ยมันจะต้องเขียนลงไ ป, <c oughs> งปเขียนลงไปเสร็จแล้วมันก็เก็บอยู่นนนในแผ่นฮัต ด, ดิสมันเราดึงออกมาก็ต้เขียนออกมาอีกดึงออกมาอ่านออกมาอีกเนี่ย <c oughs> ส่วนที่เก็บเข้าไปนี่แหละคือสัญญา <c oughs> ตรงที่เก็บข้อมูลเข้าไปเนี่ยคือสัญญาเป็นตัวอย่างเช่นปากกาเนี่ยนะภาษาอังกฤษนะคุณโยมติวรู้ว่ามันวัดเรียกว่าอะไรเพนค่ะแสดงว่าคุณยมติวมีสัญญาในปากกาของภาษาอังกฤษ ใช่ค่ะคือความหมายรู้ว่าอันนี้มันเรียกว่าเพนค่ะคุณยมติวรู้ไหมภาษาจีนเขาเรียกว่าอะไรไม่ทราบค่ะหมิงปีนะหมิงปีหมิงปีเนี่ยคือสัญญาที่มีอยู่ในจิตของอาตมาว่ามันเป็นภาษามันเป็นภาษาจีนมันเรียกว่าปากกาเพราะฉะนั้นหมิงปีเนี่ยเป็นสัญญาในใจของอาตมาค่ะแต่ไม่ใช่สัญญาของดิฉันถูกต้องแล้วถ้าพูดถึงภาษาเกาหลีโอ้โหมืดเลยเราไม่รู้ค่ะในเพราะฉะนั้นก็คือว่าเป็นความหมายรู้ในสิ่งสิ่งนี้จะมีหรือไม่มีล่ะก็อยู่ที่ว่าคุณรู้ไหมล่ะ คุณเคยได้รับการปลูกฝังไหมสอนไหมก็แค่นั้นเองทํำไมพระเจ้าถึงให้เรียนอธีนวัสัญญาให้เรียนอสุภะสัญญาให้เรียนอนิจจสัญญาสัญญาสัญญาเนี่ยคือความหมายรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นยังไงคุณต้องเรียนก่อนเพื่อจะเรารู้ <Okay. S 1> นะทีนี้พอเราเรียนเรารู้เราจําได้แล้วเรามีความหมายรู้ละอันนี้คือคือสัญญาสัญญาคือความหมายรู้อย่างเราเห็นอาการไดอาการหนึ่งในเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยคุณโยมติวบางคนนี่เหมือนกับตกต ก, ตกลงไปบางคนเหมือนกับ มันลอยขึ้นบางคนมันก็ทำไมแอนหน้าแอนหลังนะีพวกนี้เป็นปัจจัที่คุณไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรคุณก็เลยอธิบายตามที่คุณเข้าใจนะทีนี้พระเจ้าหมายรู้พวกนี้ว่าอะไรว่าคือการปรุงแต่งของจิตเป็นต้นนะ ค, คือทำมาบางอย่างเราไม่ต้องเรียกชื่ออะไรก็ได้นะอย่างพระเจ้าบอกอะนะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาไม่ต้องบอกชื่อนะั้นมันชื่ออะไรเอาแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง <ถ>คุณยังไม่ต้องรู้เลยว่าสิ่งนั้นคืออะไรสติแล้วสังขารแล้วสัญญาแล้วอะไรก็ได้อะถ้ามันเกิดแล้วไม่ดับไม่มีนะเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าไอ้นี้มันชื่ออะไรนะว่าคุณไม่มีสัญญาในคานั้นไม่เป็นไรนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งในข้อที่คุณควรจะต้องรู้เนี่ยนะว่าสัญญาเนี่ยมันมีอะไรเนี่ยก็คือความที่มันเปลี่ยนแปลงได้คือความที่มันโทษของมัน นั่นคือความที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้เกิดดับได้เปลี่ยนแปลงได้แต่เพราะนั้นถ้า <ฮะ S 2> เราพูดถึงสัญญาว่าตัวมันคืออะไระ ก, ก็คือพระเจ้าพูดถึงว่าสัญญาในตาหูจมูกลิ้นกายใจห้าอย่างา6รอหอย่างก็ไปคือเราเห็นรูปนี้เรามีความหมายรู้ ว, ว่าอันนี้คือปากก า, ามันเป็นความหมายรู้ทางตาอ่าเข้าใจนะทีนีอ้อย่างสมมตินคนตาบอดจะทาไงเอาคุณลองคคําดูอ๋ออันนี้ปากกา เขาก็จึงมีความหมายรู้ทางสัมผัสไงค่ะนะอา่อาหรืออย่างบางทีคุณยมติ๋วคิดถึงเส้นทา ง, า ส, งสิ่งใดสิ่งหนึ่งในใจของคุณยมติ๋วเนี่ยถ้าคุณยมติ๋วไม่อธิบายออกมาเนี่ยก็เขาจะไม่มีคนหนึ่นก็จะไม่รับรู้ได้แต่พดัะนั้นความหมายรู้ในใจของคุณยมติ๋วเนี่ยก็คือธรรมารมสัญญาคือธรมรมารม์ในใจค่ะนะอา่าทีนี้ความหมายรู้ตรงนี้เราก็ทํำยังไงล่ะเรารู้ตัวมันแล้วเหตุเกิดขึ้มันคืออะไร คุณยอมว่าเหตุเกิดของคุณยอมติว่าเหตุเกิดของภาษาเหตุเกิดของสัญญาคืออะไรเฉลยให้เรียบร้อยคือภาษาด้วยเองเนาะค่ะเอนั <Lav> ่นแหละคือคือเราอ่าถ้าภาษาสมมุติว่าภาษาจากตาอืมนะคะดิฉันไปเห็นปากกาอืมแล้วดิฉันรู้ว่าเป็นปากกานั่นคือดิฉันสัญญาแล้วใช่มีสัญญาสัญญาทําให้เกิดการจําได้หมายรู้ว่ามันคือปากกาค่ะ นะคะท่านผู้ฟังถ้าดิฉันได้ยินเสียงอ๋ออันนี้เสียงท่านายกแน่เลยเสียงนกแน่เลยแปลว่าดิฉันมีสัญญาดีจําได้หมายรู้อันนี้แปลว่าเกิดจากผัสสะและอย่างที่ท่านจะแนะนําเมื่อสักครู่ว่าถ้าเป็นสิ่งที่ดิฉันอ่าหมายรู้ได้อยู่ในใจไม่ได้พูดออกมาใช่ไหมคะใช่พอท่านยกตัวอย่างที่ดิฉันยกตัวอย่างเช่นว่าทางกลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะเอามาไม่รู้จากบ้านคุณยมติ๋ว คุณยงติ๋ยนึถึงทางกลับบ้านนั่นคือความหมายรู้ในทางกลับบ้านของคุณยมเติ๋วนม่ได้ทำใจนะคะใช่ใไม่ได้ดูแผนที่ค่ะถ้าดูแผนที่ในเรื่องของทางกลับบ้านนี่จะเป็นอะไรคนอาจารอันนั่นคือความหมายรู้ต่างตาอ่าเป็นหมายรู้ทางตาทันทีใช่ถ้าสมมุติว่าจะกลับบ้านแล้วไม่ใช่กลับบ้านดีกว่าจะไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งอ่าแล้วโทรไปถามพระอาจารย์จะไปวัดป่าดอนไหส่งไปยังไงท่านพูดทางโทรศัพท์อ๋อ เขาก็จะนึกได้ขึ้นมาว่าอ๋อถนนเส้นนี้อ๋ออเคยไปอยู่นึกออกก็เป็นการหมายรู้ทางหูถูกไหมใช่ความหมายรู้ทางเสียงค่ะอืมแล้วก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะ เ, เรื่องสัญญาที่ต้องทําความเข้าใจอย่างหนึ่งก็คือว่ามันอดีตก็มีอนาคตก็มีแล้วอดีตก็มีอนาคตก็มีแล้วก็คือ<ง>ก็คืออย่างเช่นว่าอย่างเส้นทางกลับบ้านเนี่ยเป็นอดีตแต่แล้วถ้าเราพูดถึงเส้นทางที่เราไม่เคยไปมาก่อน นั่นแหะคือความหมายรู้ในอนาคตค่ะเนาะะสมมุติเส้นทางเส้นหนึ่งที่คุณยมติ๋วไม่เคยไปอาตมา ก, ก็อธิบายให้ฟังอ๋ออพอจะนึกออกอยู่ล้วคุณพอจะนึกออกอยู่นั่นแหะคือ ค, คุณมีสัญญาในเส้นทางที่เป็นอนาคตละหรืออย่างตอนที่เอดิชันเขาคิดคน้นเขามีสัญญาของหลอดไฟตั้งแต่ตอนที่เขายังคิดไม่ได้ แต่เขา ค, คือมีความหมายรู้ว่ามันจะต้องทําได้มันจะต้องมีมันจะต้องเป็นอย่างนี้มันจะต้องเป็นอย่า ง, ง, น, ง, น, า ง, ง น, นั้นนี่แหะเขาคืมีความหมายรู้อยู่ในธรรมารมของเขาในใจของเขาแต่คุณเ่นเขาไม่เห็นด้วยท่านคะอันนี้ไม่ใช่สังขารปรุงแต่งหรอกค่ะไม่เอาก็คือเป็นปรุงแต่งขึ้นมาเป็นความหมายรู้ไง <ừ. S 2> ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นความหมายรู้อย่างสมมติว่าตอนที่จากเสาาก้นรวดธรรมดาทําไมเอดิชันเขาปรุงแต่งว่าะจะต้องเป็นหลอดไฟนะตรงนี้คือการปรุงแต่งเข้าทํางานสัญญาสังขารเนี่ยปรุงอะไรให้เป็นอะไร กว่าก็คือปรุงกันอ่าใช่ปรุงสัญญาให้เป็นสัญญาว่าอย่างนั้นเนาะในในเบื้องต้นก็จะอธิบายเรื่องสัญญาไปตรงนี้แล้วพอเรามาพูดถึงสังขารก็จะอธิบายกับเรื่องสัญญาอีกจะได้เข้าใจที่มันถูกต้องกันเนาะอ๋อค่ะก็วิเคราะห์ทํานองนี้ใช่ใช่แล้วเห็นทุกเห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรดได้เหมือนกันเลยว่าทุกของสัญญาคือความที่มันไม่เที่ยงค่ะแล้วก็เหตุเกิดคือภัสสะความดับของสัญญาก็คือความดับของผัสสะ วิธีการทําให้มันดับก็คือมักแปดนั่นเองนั่นค่ะอย่างดิฉันเนี่ยระยะหลังๆมีเรื่องต้องให้จดจําเยอะคือต้องมีสัญญาเยอะต้องสองประกอบต้องสองค์ประกอบที่มาต่อพรุ่งนี้ได้ในเรื่องของความจําซึ่งจะไม่เหมือนกับสัญญาอะไรอ า, าจารย์ที่ใบทราบอ๋อค่ะเพราะว่ากำลังจะพูดถึงเรื่องลืมะค่ะใช่จำแล้วลืมงั้นงั้นเดี๋ยวเป็นเรื่องสําคัญทีเดียวนะคะก็ติดตามรับฟังต่อไปจากพระอาจารย์ไพบูลอภิปุโนจรวดนี้กลาวนวัฒการขอบพระคุณค่ะเชิญผาน ด้นความที่ลบคะ่ะนี่คือการนําธรรมะมาวิจัยได้ไหมคะใกล้ครวรในส่วนของตัวอย่างที่เราเองก็สามารถที่จะนึกจากตัวเราเองจากสภาพแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นกับเราได้ไม่ต้องไปหาตัวอย่างจากข้างนอกจะได้เกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวิตที่มันยุ่งเหยิงอยู่แล้วแล้วให้เห็นธรรมะในระหว่างดําเนินชีวิตอยู่นั้นเลยนะคะไม่เสียเวลา ท่านฟังที่ครบคัและนี่ก็คือสิ่งที่รายการสนทนีสนทนานะคะอยากจะให้ท่านได้รับจากการที่เราได้มีโอกาสนะคะกราบราตนานิมนต์พระคุณเจ้าถึงสองรูปด้วยกันที่ศึกษาพุทธวจนะคือคำที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ตรงๆเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นธรรมกับวินยัยอย่างจริงจังแล้วก็ได้ประโยชน์กันมาถึงพวกเราทุกๆคน อย่าลืมนำเอาไปใช้เพราะชีวิตท่านจะสวัสดีนะคะรายการสันส น, สนทนาเราแจกหนังสือที่022690006หนังสือชื่อว่าพุทธวัจนะค่ะส่วนท่านที่จะไปเปิดธรรมะเพิ่มเติมจากรจพระอาจารย์ไพ์บูรณ์ที่เพียวธรรมะ .com/106 ถามคำถามได้ด้วยนะคะวันนี้เราลากันไปแต่เพียงเท่านี้พุทธวสวัสดีค่ะ